มาบทแปลเรื่องที่หกสิบเรื่องพระราธะเถระภาคที่สี่เรื่องที่หนึ่งของวักที่หกปัญตวักวันอนาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระราธะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านิดีนังวะปะวะตารังเป็นต้นได้ยินว่า พระราธานั้นในเวลาเป็นครือขัได้เป็นพรามตกยากอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาคิดว่าเราจะเลี้ยงชีพอยู่ในสำนักของภิกษุทั้งหลายดังนี้แล้วไปสู่วิหารด่าย่ากวาดบริเวณถวายวัตถุมีน้าล้างหน้าเป็นต้นอยู่ในวิหารแล้วภิกษุทั้งหลายได้สงเคราะห์เธอแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ปรารถนาจะให้บวช เขาเมื่อไม่ได้บวชจึงสู้ผอมแล้วภายหลังวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทอาพระเนรเห็นพราบนั้นแล้วทรงใครครวนอยู่ว่าเหตุอะไรหนอดังนี้แล้วทรงทราบว่าราธะพราหมณ์จกเป็นพระอรหันต์ในเวลาเย็นเป็นเหมือนเสด็จเที่ยวาจาริกไปในวิหาร เสด็จไปสู่สำนักของพรามแล้วตรัสถามว่าพรามเธอเที่ยวทําอะไรอยู่เขากราบทูลว่าข้าพระองค์ทำวัดปฏิวัติแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่พระเจ้าค่าพระศาสดาเธอได้การสงเคราะห์จากสำนักของภิกษุเหล่านั้นหรือพรามได้พระเจ้าค่าข้าพระองค์ได้แต่เพียงอาหารแต่ท่านไม่ให้ข้าพระองค์บวช พระศาสดารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเรื่องนั้นแล้วตรัสถามความนั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายใครๆรึกถึงคุณของพรามนี้ได้มีอยู่บ้างหรือพระสารีบุตรเถระกราบทูลว่าพระเจ้าค่าข้าพระองค์ระลึกได้เมื่อข้าพระองค์เที่ยวบินทบาตอยู่ในกรุงราชเกลืพรามนี้ให้คุณถวายภิกษะทัพีหนึ่ง ที่เขานํามาเพื่อตนข้าพระองค์ระลึกถึงคุณของพราหมณ์นี้ได้เมื่อพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรก็การที่เธอปเปลื้องพราหมณ์ผู้มีอุปการะอันกระทําแล้วอย่างนี้จากทุกไม่ควรหรือท่านกราบทูลว่าดีละพระเจ้าข่าข้าพระองค์จักให้เขาบวชจึงให้พราหมณ์นั้นบวชแล้วอาสนะที่สุดแห่งอาสนะในโรงฉันย่อมถึงแก่ท่าน ท่านลำบากอยู่ด้วยอาหารวัตถุมีข้าวยางขู่และพัดเป็นต้นพระเถระพาท่านหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วกล่าวสอนพร่ำสอนท่านเนื่งเนืองว่าสิ่งนี้คุณควรทำสิ่งนี้คุณไม่ควรทำเป็นต้นท่านได้เป็นผู้ว่าง่ายมีปกติรับเอาโอวาทโดยเบื้องขวาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านปฏิบัติตามคำที่พระเถระพร่ำสอนอยู่ โดยสองสวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์แล้วพระเถระพาท่านไปสู่สำนักพระศาสดาถวายบบงคมนั่งแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงธทมปฏิสันถานกับท่านแล้วตรัสว่าสารีบุตรอันเตวาสิก ข, ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายแลหรือพระเถระอย่างนั้นพระเจ้าค่าเธอเป็นผู้ว่าง่ายเหลือเกิน เมื่อโทษรไรๆที่ข่าพระองค์แม้กล่าวสอนอยู่ไม่เคยโกรธเลยพระสัสดาสารีบุตรเธอไม่ได้สติวิหาริกเห็นปานนี้จะพึงรับได้ประมาณเท่าไหร่พระเถระข้าพระองค์พึงรับได้แม่มากทีเดียวพระเจ้าค่าภายหลังวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าได้ยินว่าพระสารีบุตรเถระ เป็นผู้กตัญญูกถ ะ, ะเวทีระลึกถึงอุปการะศักว่าภิกษาทัพีหนึ่งให้พรามตกยากบวตแล้วแม้พระราทะเถระก็เป็นผู้อดทนต่ออาวาสได้ท่านผู้ควรแก่าการสั่งสอนเหมือนกันแล้วพระสัสดาทรงสดับคาถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการกอดสารีบุตร เป็นผู้กตัญญูกะตะเวทีเหมือนกันดังนี้แล้วเพื่อจะประกาศความนั้นจึงตรัสอาลีนจิตตะชาดกในทุกก์นิบาทนี้ให้พิสดารว่าอาลีนจิตตังนิสายะประหัตท่ามหตีจมูโกสลังเซนาสั้นตดทั่งชีวากาหั่งอาคาหายิยเอวังนิสสยะสัมปนโนภิกขารัตวีรโย พาวายังกุศลังธรรมังโยคักเขมัสสะปติยาปาปูเนอนุปปเปนะสัพปะสั่งโยชนักยันติเสนาหมูใหญ่อาศัยเจ้าอรินจิตตะกุมารราเริงทั่วกันแล้วได้ให้ช้างจับพระเจ้าโกศลทั้งเป็นผู้ไม่พอพระทัยด้วยราชสมบัติภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยนิสัยอย่างนี้ เป็นผู้มีความเพียรอันปรารอบแล้วเจริญกุศลธรรมอยู่เพื่อบรุษธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะเพื่อบรรุษธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลําดับได้ยินว่าช้างตัวหนึ่งเที่ยวไปตัวเดียวรู้อุปการะที่พวกช่างไม้ทําแล้วแก่ตนโดยภาวะคือทําให้เท้าหายโรคแล้วให้ลูกช้างตัวขาวปลอดในครั้งนั้น ได้เป็นพระสารีบุตรเถระแล้วพระศัสดาครั้นตรัสชาดกปาราบพระเถเรอย่างนั้นแล้วทรงปราบพระราธะเถระตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนราธะแม้อาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธอันหนึ่งควรเห็นบุคคลผู้ให้อวาตเหมือนบุคคลผู้บอกกลุ่มทรัพย์ให้ฉะนั้น ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทน่ิแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถานี้ว่านิธีนังวะปะวัตตารังยังปัเซวัตชดั ส, สินังนิกายหะวาดิงเมทาวิงตาดีสั่งปันฑิตังพระเชตาดีสั่งพระชะมานัสะเซยโยโหติณปาปโยติบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาใด ซึ่งเป็นผู้กล่าวนิกาชีโทษว่าเป็นเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้พึงครบผู้มีปัญญาเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตเพราะว่าเมื่อครบท่านผู้เช่นนั้นมีแต่คุณอย่างประเสริฐไม่มีโทษที่หลามกแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านิทีนังได้แก่หม้อแห่งขุมทรัพย์อันเต็มด้วยเงินทองเป็นต้น ซึ่งเขาฝังเก็บไว้ในที่นั้นนั้นบทว่าประว ต, ตารังคือเหมือนอย่างผู้ทําความอนุเคราะห์คนเขียนใจซึ่งเป็นอยู่โดยฝึกเคืองแล้วชักชวนว่าท่านจงมาเราจะชี้อุบายเลี้ยงชีพโดยสะดวกแก่ท่านดังนี้แล้วนําไปยังที่กลุ่มทรัพย์แล้วเหยียดมือออกบอกว่าท่านจงถือเอาทรัพย์นี้เลี้ยงชีพตามสบายเถิดวินิจฉัยในบทว่า วัดชดั ส, สีนังภิกษุผู้ชี้โทษมีสองจำพวกคือภิกษุคอยแสหาโทษโดยคิดว่าเราจะข่มภิกษุนั้นด้วยมารยาอันไม่สมควรหรือด้วยความพลาดพลัง้งอันนี้ในถ้ำกลางสงฆ์ดังนี้จำพวกหนึ่งภิกษุผู้ดำรงอยู่แล้วตามสภาพโดยสามารถแห่งการอุ้มชูด้วยการแลดูโทษนั้นๆเพื่อประโยชน์จะให้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้ เพื่อต้องการจะได้ตามถือเอาสิ่งที่รู้แล้วเพราะความเป็นผู้ปรารถนาความเจริญแห่งคุณมีสิทธิเป็นต้นแก่ผู้นั้นจำพวกหนึ่งภิกษุจำพวกหลังนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ในบทว่าวัชรัสสีหนังนี้คนเข็นใจถูกผู้อื่นคุกคามก็ดีตีก็ดีชี้ข่มซับให้ว่าแกจงถือเอาซับนี้ ย่อมไม่ทำความโกรธมีแต่ความปราโมดอย่างเดียวฉันใดเมื่อบุคคลเห็นปานดังนั้นเห็นมารยาทมิบังควรก็ดีความพลังพลาดก็ดีและบอกอยู่ผู้รับบอกไม่ควรทำความโกรธควรเป็นผู้ยินดีอย่างเดียวฉะ น, นั้นควรปรารถนาทีเดียวว่าท่านเจ้าข้ากรรมอันใหญ่อันไต้ท้าผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์ เป็นอุปชาของกระผมแล้วสัง่งสอนอยู่กระทำแล้วแม้ต่อไปแต่เท้าพึงโอว่ากระผมดังนี้บทว่านิคัยหักวาดิงความว่าก็อาจารย์บางท่านเห็นมารยาทอันมิบังควรก็ดีความพลังพลาดก็ดีของพวกสิทธ์มีสัท ธ, ธิวิหาริกเป็นอาทิแล้วไม่อาจเพื่อจะพูดด้วยเกรงว่าสิทธิผู้นี้อุปถาเราอยู่ ด้วยกิจวัตรมีให้น้ำบ้วนปากเป็นต้นแก่เราโดยเคารพถ้าเราจักว่าเธอไส้เธอจากไม่อุปถากเราความเสื่อมจักมีแก่เราด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ย่อมหาชื่อว่าเป็นผู้กล่าวนิกะกไม่เธอผู้นั้นชื่อว่าเรียรายอยากเยื่อลงในสารานี้โซนาจารย์ใดไม่เห็นโทษปานนั้นแล้วคุกคามประนามลงทันกรรม ไล่ออกจากวิหารตามสมควรแก่โทษให้ศึกษาอยู่อาจารย์นี้ชื่อว่าผู้กล่าวนิกะแม้เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ไว้ว่าดูก่อนอานนุ์เราจะกล่าวคมกล่าวคมดูก่อนอานนุ์เราจะกล่าวยกย่องยกย่องผู้ใดเป็นสาระผู้นั้นจักดำรงอยู่ได้ บทว่าเมธาวิงคือผู้ประกอบด้วยปัญญามีโอชะเกิดแต่ธรรมบทว่าตาดีสร้างเป็นต้นความว่าบุคคลพึงครบคือพึงเข้าไปนั่งใกล้บัณดิตเห็นป่านนั้นเพราะเมื่ออันเตวาสิก ค, ครบอาจารย์เช่นนั้นอยู่คุณอย่างประเสรฐย่อมมีโทษที่ลามกย่อมไม่มีคือมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเสีย ในที่สุดเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระราธะเถระจบ